50 languages. Eighty-five. Pachasi. q ป e s t i o n a d i t a g a คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วตุสิกินนากามกิตตาเหคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วตุสิกินนาลิกิยาคุณนอนหลับสบายไหมตุสิกินนาสุเตคุณสอบผ่านได้อย่างไรตุสิปริกิยากิเม่าสกิตีฮห คุณหาทางพบได้อย่างไรคุณพูดกับใครมาคุณนัดกับใครมาคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาคุลองงานวันเกิดกับใครมา คุณไปอยู่ที่ไหนมาตุสิกิทธิิคุณเคยอยู่ที่ไหนมาตุสิกิทธเรนเดสิคุณเคยทำงานที่ไหนมาตุสิกิทธิเคมกิตาเหคุณแนะนำอะไรไปแล้วตุสิกิสลาดิตี คุณทานอะไรมาคุณได้พบอะไรมาคุณขับรถมาเร็วแค่ไหนิกคุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร่ทุิใินเวลามิตักอุด่านปริ